จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจญกุศลอยทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ย8สปมีนาคมพุทธศักราช2558ราเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาลบบาปมาชำระใจ ให้ศาสตร์บริสุทธิ์พ่อมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตพระกตตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงร้อยเปอร์ซธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชื่อเพราะเป็นสิ่งที่มีจริง ก็คือให้เราเชื่อบุญให้เชื่อผลของบุญคือสวรรค์ให้เราเชื่อบาปและให้เชื่อผลของการทำบาปก็คือนรกอบายให้เราเชื่อว่าการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะทำให้เราได้เป็นพระอรหันตาสาลกของพระพุทธเจ้าได้ไปอยู่ กับพระพุทธเจ้าในพระนิพพานได้ยุติการวียนว่าตายเกิด น, นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชื่อกันเพราะตอนนี้เราต้องเชื่อไปก่อนเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เห็นด้วยตาของเราเองเพราะตอนนี้ตาของเราถูกพันธนาการไว้ มีเครื่องบดบางมีเสิยงบทบางไว้ทําให้เราไม่ให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้คือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเรา ทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำต่อไปสิ่งที่ปิดบังใจของเราก็จะถูกเปิดออกแล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพอเราเห็นด้วยตาของเราแล้วทีนี้เราก็ไม่จาเป็นจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ทำให้เรา เห็นสิ่งต่างๆอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้เห็นพอเราเห็นแล้วเราก็ไม่ต้องใช้พระพุทธเจ้าเป็นคนคอยสอนคอยบอกเราอีกแล้วเพราะเราเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเห็นบุญเห็นบาปแล้วเห็นการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเห็นการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่คือสิ่งที่ พวกเราต้องเชื่อกันก่อนเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนตาดีคนตาบอดจะทำอะไรจะต้องอาศัยคนตาดีคอยบอกว่าตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรถ้าไม่มีคนตาดีคอยบอกก็จะไม่รู้ไม่เห็นนั่นเองพระพุทธเจ้าพระหลันงตสาวกเป็นคนตาดี ท่านได้เอาสิ่งที่ปิดบังตาของท่านออกไปหมดแล้วตานี้ไม่ใช่ตาเนื้ออย่างที่พวกเรามีกันอยู่นี้แต่เป็นตาในเรียกว่าตาทิพย์ตาทิพย์ของพวกเราบอดจึงทำให้พวกเราไม่สามารถเห็นโลกทิพย์ได้โลกทิพย์ที่มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีทั้งพระนิพพานโลกทิพย์คือ เป็นที่ใจของเราอยู่กันแต่ใจของเราตอนนี้มาเที่ยวในโลกนี้โดยอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนพาหนะเป็นรถยนต์พาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศพอเราไปถึงสนามบินลงจากเครื่องเราก็ไปเช่ารถยนต์ แล้วเราก็ขับรถยนต์พาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอเราเบื่อแล้วเราอยากจะกลับบ้านเราก็เอารถมาคืนที่สนามบินแล้วเราก็ขึ้นเครื่องกลับไปสู่บ้านของเราต่อไปใจของเราก็เป็นเหมือนเหมือนเราเหมือนคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปหารถก่อน ก็คือต้องไปหาท้องของพ่อของท้องของแม่ก่อนพอแม่เริ่มตั้งท้องก็ไปจองจองท้องไว้จองร่างกายไว้พอร่างกายคลอดออกมาเราก็หัดใช้ร่างกายนี้หัดขับร่างกายนี้ก่อนหัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดดืม่มหัดทําอะไรต่างๆ เป็นเหมือนกับเราไปหัดขับรถยนต์เวลาเราไปต่างประเทศรถยนต์เขาขับคนละข้างถนนต่างประเทศเขาขับทางด้านขวาเราขับทางด้านซ้ายถ้าเราอยากจะขับให้ถูกกฎจราจรไม่เกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องไปศึกษากฎจราจรต่างๆก่อนว่าเขามีกฎอะไรบ้าง<ม>เหมือนกันเวลาเรามา เกิดเรามาได้ร่างกายนี้พอออกมาตอนต้นก็ต้องเรียนรู้วิธีขับร่างกายนี้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามที่เราต้องการตอนต้นก็หัดยืนพอยืนได้เราก็หัดเดินพอเดินได้เราก็หัดวิ่งแล้วก็หัดทําอะไรต่างๆหัดทํากับข้าวหัดทําขนม หัดอาบน้ำหัดซักเสื้อผ้าหัดทาอะไรไปเรื่อยๆจนเราสามารถใช้ร่างกายนี้ทาอะไรต่างๆที่เราปรารถนาได้เราก็สั่งให้ร่างกายไปเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่เรายังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยู่พอเรารู้จักใช้ร่างกาย ให้ทำรายตามคำสั่งแล้วเราก็สั่งให้มันไปหาของมาให้เราเราอยากกินก็ให้มันไปหาของกินมาให้เราอยากดื่มก็หาเครื่องดื่มมาให้เราอยากดูก็พาพาเราไปดูไปดูหนัง mm hmm. อยากจะฟังเพลงก็พาเราไปฟังเพลงอยากชอบเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ให้ร่างกายพาเราไปเหมือนกับรถยนต์ ที่เราเอาใช้เวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศนี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราเข้าใจไหมร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราไปเช่าเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขาไม่คิดค่าเช่าเรานอกจากไม่คิดค่าเช่าแล้วก็ยังให้เงินเราใช้เพราะพ่อแม่เขาหลงเขาไม่รู้ว่าเราไม่ใช่เป็นลูกเขา ถ้าเขารู้ว่าเป็นลูกไม่ใช่เป็นลูกเขาเขาคงไม่มาเลี้ยงเราให้เสียเวลาแต่เพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกพาอออกมาจากท้องปับก็ต้องถือว่าเป็นของเรา ท, ทันทีแต่หารู้ไหมว่าเป็นของเราเพียงครึ่งเดียวคือร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่แต่ใจที่มาขับร่างกายนี้เป็นของใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นของศัตรูเก่าก็ได้ ถ้ามีปัญหากับลูกนี่แสดงว่าศัตรูเก่ามาเกิดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันนี่แสดงว่าผู้ที่มาเกิดในท้องแม่เรานี่นี่เป็นศัตรูกันแต่ถ้ามาเกิดแล้วมาเป็นมาทำอะไรร่วมกันทำบุญร่วมกันช่วยเหลือกันสนับสนุนกันสงเคราะห์กันรักกันนี่แสดงว่าเป็นมิตร เป็นมิตรเก่าเป็นเพื่อนเก่าลูกของเรานี้มีได้สองสองสามแบบด้วยกันเป็นมิตรก็มีเป็นศัตรูก็มีไม่ใช่เป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกของเราลูกของเราเป็นเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ใจนี้ผู้ที่จะมาใช้ร่างกายนี้ไม่รู้เขามาจากที่ไห น, นเขาตายไปจากร่างกายอันเก่า เขาก็ไปส่อแสวงหาร่างกายอันใหม่พอดีมาเจอร่างกายของเราที่เราตั้งท้องอยู่เขาก็เลยขอมาเข้ามาอยู่พอเข้ามาอยู่เราก็เลยหลงคิดว่าเขาเป็นลูกเราอุตสาเลี้ยงดูเขาแทบเป็นแทบตายดีไม่ดีพอโตขึ้นถูกเขาฆ่าตายก็มีลูกที่ฆ้าพ่อฆ่าแม่ก็มีเพราะว่าเคยเป็นคู่สัตวจูกันมา เคยมีเวรมีกรรมกันมาพอมาเจอกันก็เลยจองเวรจองกรรมกันถ้าได้ลูกที่เป็นมิตรก็ถือว่าสบายไปลูกก็จะช่วยเหลือเราคอยดูแลเรารับใช้เราทำอะไรต่างๆให้กับเราดังนั้นเราอย่าไปหลงยึดติดกับลูกเรามากจนเกิดไปขอให้รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นลูกของเราเขาเป็นเพียงแต่มา อาศัยร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาในท้องนี้เท่านั้นเองดังนั้นเวลาที่เจอรูปไม่ดีลูกทรารพีก็อย่าไปเสียใจคิดเสียว่ามันเป็น เ, เรื่องของวิบากกรรมเราเคยมีกรรมกับเขามาในอดีตพอมาเจอกันไม่ว่าจะเจอกันในท้องหรือเจอกันนอกท้องก็จะเป็นปัญหาต่อกัน คนที่มีเวงมีกรรมกันนี้พอเจอหน้ากันก็จะรู้ว่าไม่ไม่ถูกกันคนที่เคยร่วมบุญกันมาพอเห็นหน้ากันก็จะรู้ว่าถูกใจกันพอใจกันนี่เป็นเรื่องของบุญของกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดพอเราตายไปแล้วเราก็ทิ้งหน้ากายนี้ให้สับปเปล่าไป ส่วนเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปก่อนที่เราจะไปได้ร่างกายอันใหม่เราก็อาจจะต้องไปรับรางวัลหรือไปรับโทษก่อนเพราะเราขณะที่มีชีวิตอยู่เรามีการกระทําที่เป็นบุญและเป็นบาปถ้าเป็นบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปเราก็ไปรับรางวัลก่อนเพราะบุญมีกําลังมากกว่า บุญก็จะดึงเราไปสู่สวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าเวลาเราตายไปก็ต้องไปไปที่อบายก่อนไปที่นรกก่อนไปใช้บาปก่อนพอบาปที่เราทํามีกําลังเท่ากับบุญไม่สามารถที่จะดึงให้เราอยู่ในอบายอยู่ในนรกได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้เราไปสวรรค์ได้ เพราะมันมีกำลังเท่าๆกันตอนนั้นเราก็ได้มาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าจะไปสวรรค์ก็ไม่มีกำลังไปจะไปนรกก็ไม่มีกำลังไปก็เลยมีที่เดียวที่จะไปได้ก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ามาเกิดจากที่ต่ำก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพว่าสนาถ้าลงมาจากที่สูง ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนานี่คือลักษณะของมนุษย์โลกเรานี่มีมีบุญมีวาสนาต่างกันบางคนก็มีบุญมากวาสนาบ้างเพราะในอดีตชาติได้ทำบุญไว้มากคนที่มีบาปมากก็กลับมาเกิดก็จะมาเกิดมาทุกข์ยากลําบากอาภัพวาสนานี่คือ กฎแห่งกรรมที่จะติดไปกับจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราเวลาออกจากร่างเราก็เปลี่ยนชื่อมันไม่เรียกว่าจิตใจเราเรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเหมือนถ้าเราไปต่างประเทศเราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งไปถ้าฝรั่งมันจะได้เรียกชื่อเราง่ายๆไงถ้าเรียกชื่อไทยนี้มันยาวมันเรียกไม่ได้ คนไทยบางทีเวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งกันฉันใดเวลาใจของเราออกจากร่างกายนี้ไปแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเราจะเรียกใจนี้ว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่แหละที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกหรือไปนิพพานการจะไปนิพพานนี้ก็คือต้องไม่ทำบาป ทำบุญแล้วก็ต้องชําระใจให้สะอาดนะบริสุทธินะ์ <c oughs> การทําบุญนี้ไม่สามารถชําระใจให้บริสุทธิ์ได้การที่จะทําใจให้บริสุทธิ์ได้นี้ต้องปฏิบัติธรรมต้องบําเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องออกบวชนะถ้าไม่บวชนี่ไปไปไม่ไปยาก เพราะว่ากำลังไม่พอเวลาไม่พอเป็นคารว่า น, นี้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาถ้าไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาก็จะไม่สามารถชำระใจให้สะอาดได้<ม>ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปก่อนถ้าอยากจะหยุดการเวียน่ายตายเกิดก็ต้องออกบวช พระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้ 99.9% ้เป็นนี้เป็นนักบวชทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นนักบวชสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นนักบวชเขาถึงสามารถที่จะชำระใจของเขาให้สะอาดบอยสุดได้ใจนี้ที่ยังต้องมาเกิดก็เพราะว่ายังมีเชื้อของภพของชาติอยู่ที่ชำระนี้ก็ชำระเชื้อของภพของชาติ เชื้อของภพของชาติคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาเนี่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยต้องกลับมาเกิดกันเพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยากมีแฟนอยากเที่ยวอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิด เราต้องตัดความอยากนี้ตัดความโลภนี้ไม่เที่ยวไม่ดูไม่ฟังไม่กินไม่ดื่มเพื่อความความอยากแต่ถ้าจะกินจะดื่มก็กินเพราะความจำเป็นต้องเรียงดูร่างกายกินเหมือนกินยาถ้ากินยานี้เราจะไม่ได้กินด้วยความอยากเรากินด้วยความจำใจกินด้วยความจำเป็นหมอสั่งให้กินก็ต้องกิน เพราะถ้าไม่กินโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายถ้าเราทำอะไรด้วยความจําใจทำเพราะต้องทำอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความอยาก<ม>เช่นเวละอย่างพระสงฆ์งเจ้าที้พระพุทธเจ้าสอนให้ฉันวันละหนึ่งมืออย่างนี้เ ร, เรียกว่าไม่ได้ฉันตามความอยากฉันตามความจําเป็นเพราะร่างกายต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงถึงจะอยู่ได้ แล้วก็ให้ฉันในบาตรให้เอาอาหารทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี้มารวมไว้ในบาตรไม่ต้องกินด้วยความอยากกินด้เหมือนกินยายาเลือกอาหารว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ก่อนกินอย่างนั้นที่แล้วค่อยกินอย่างนั้นแล้วค่อยกินอย่างนั้นกินของขควก่อนแล้วค่อยกินของหวานกินของหวานแล้วค่อยดื่มนมดื่มน้า อันนี้กินแบบความอยากเพราะว่าเรายังกินด้วยการติดรสติดชาติอยู่วิธีที่จะแก้อาการกินแบบนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เอ า, อาหารทุกอย่างใส่ไปในภาชนะอันเดียวกันถ้าเป็นญาติโยมก็หาชามใหญ่ๆ ห, หรือกละมังมาสักใบนึง่งเอาข้าวใส่เข้าไปเอากลับใส่เข้าไปเอาของเคาวของหวานขนมนมเนยใส่เข้าไป เอากาฟงกาแฟเทเข้าไปแล้วก็คนมันเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีนี่คือวิธีกินด้วยความจำใจไม่ได้กินด้วยความอยากกินกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นจะจะต้องหัดกินแบบนี้ให้ได้กินเพื่อที่ ตัดความอยากต่างๆในอาหารในรูปในสีในสันในกลิ่นในรสของอาหารกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้อย่างที่มีคำพูดว่ากินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินนี้ก็อยู่กินเพื่อกิเลสกินเพื่อตัณหาความอยากถ้าอยู่เพื่อกินก็จะไม่มีวันที่จะตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะยังติดรสชาติของอาหารอยู่ยังอยากกินอาหารแบบนั้นยังอยากกินอาหารแบบนี้อยู่นี่คือวิธีชำระกิเลสชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องของอาหารก็กินแบบให้มันอยู่ในชามันเดียวแล้วก็ให้กินมื้อเดียวหรือถ้ายังเริ่มต้นยังทําไม่ได้มื้อเดียว ก็ให้กินก่อนเที่ยงวันคือหลังจากเที่ยงวันแล้วจะไม่กินจะกินกี่ครั้งก็ได้แต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่กินอีกนี่คือวิธีตัดความอยากชำระใจให้สะอาดเบื้องต้นต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือช่วยชำระถ้าถือศีลแปนี้ก็จะชำระได้หลายข้อศีลข้อสก็คือไม่อยากร่วมหลับนอนกับใครนอนคนเดียว ไม่ต้องหาความสุขจากการน่วมหลับนอนกับผู้อื่นเพราะอันนี้ก็เป็นตัณหาความอยากเรียกว่าราคะตัณหาแล้วก็ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ดูมหรศลศพไม่ฟังไม่ร้องลำทำเพลงไม่เสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรร์ที่วิจิตรพิสดาร ไม่เสริมสวยด้วยเครื่องสำอางต่างๆไม่เสริมสวยด้วยการเท่าทำเเผาทำผงนี่คือการตัดตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะแล้วก็ตัดความอยากนอนนอนให้มันน้อยนอนเท่าที่จำเป็นร่างกายนีวันหนึ่งนอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วถ้านอนมากกว่านั้นก็แสดงว่านอนด้วยความอยาก เราไม่ได้นอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนถ้าอยากจะนอนเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนท่านสอนให้นอนบนพื้นแข็งๆอย่านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นไม้พื้นดินปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อเพราะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนั่นเอง ถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจยังอยากจะนอนต่อเพราะมันสบายความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องติดอยู่กับการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจึงจำเป็นต้องสละความสุขเหล่านี้ไป สละความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นสละความสุขที่ได้รับประธานอาหารตามความอยากไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามสละความสุขจากการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามมาหรผสมลงภาพยุ์สละการความสุขที่เกิดจากการร้องลัมทำเพลงความสุขที่ได้จากการเสริมความงานของร่างกาย สละความสุขที่นอนอย่างสุขอย่างสบายถ้าต้องการการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องทําอย่างนี้เพราะนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาได้ทรงบําเพ็ญมาแล้วเอามาสอนพวกเราผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้นี่แหละ คือการทำลายภพชาที่มีอยู่ในใจของเราเชื้อของภพชาก็เป็นเหมือนน้ำมันรถนี้เองถ้าเราไม่ต้องการให้รถมันวิ่งเราก็อย่าไปเติมน้ำมันพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันหมดมันก็วิ่งไม่ได้เองฉันใดถ้าเราไม่อยากให้ใจของเรากลับมาเกิดอีกเราก็อย่าไปเติมภพอย่าไปเติมเชื้อของภพชา ก็คืออย่าไปทำตามความอยากอย่าไปทำตามความโลภอย่าไปทำตามกิเลสตัณหาเพราะถ้าทำตามก็เหมือนกับเติมเชื้อให้กับพบกับชาตินั่นเองเพราะว่าตัณหาความโลภนี้มันจะไม่หมดไปถ้าเราทำตามความโลภความอยากพวกเรานี้ตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้ทำตามความโลภความความอยากกันมาตลอด แล้วตอนนี้ความโลภความอยากหมดไปหรื อ, อยังไม่มีวันหมดกลับจะมีมากขึ้นตอนเด็กๆยังโลภไม่มากเท่ากับตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนเด็กๆมีเงินใช้เวลา10บบาท20บาทก็มีความสุขแล้วตอนนี้มีเงินใช้เวลาร้อยสอ0ก็ไม่พอใช้เพราะความโลภมันมากขึ้นความอยากมันมากขึ้นถ้าเราต้องการตัดความโลภตัดความอยาก เราก็ต้องฝืนมันอย่าทําตามความอยากเช่นคนที่อยากจะเลิกดื่มสุรายาเมาเวลาอยากจะดื่มสุราก็ต้องไม่ดื่มฝืนมันอย่าไปทาตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะดื่มแล้วไม่ได้ดื่มต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเองคนที่ไม่ได้ดื่มคนที่ไม่ดื่มสุราเขาไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความอยากดื่มสุรา คนที่อยากดื่มสุรามีปัญหาเพราะต้องหาสุรามาดื่มเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาหาสุรามาดื่มไม่ได้ก็จะต้องเดือดร้อนก็จะหมดหยิดลำคาญใจพุ่นวายใจแล้วก็พานพโลไปว่าคนนั้นไปด่าคนนี้เพราะอารมณ์ไม่ดีเพราะมีความทุกข์เพราะว่าไม่ได้ทําตามความอยาก แต่ถ้าเราพยายามฝืนมันไปเรื่อยๆสอนว่าทำตามความอยากแล้วจะทำให้เราต้องทำอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะเลิกดื่มสุราเราก็ต้องเลิกเสียแต่วันนี้เลยมันจะอยากอย่างไรก็ต้องไม่ดื่มให้ได้แล้วไม่นานรับรองได้ไม่เกินเดือนสองเดือนมันจะหายอยากแล้วมันจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปถ้าเราทำตามความอยาก อีก20ปีอีกร้อยปีมันก็ยังมารบกวนใจเราอยู่นั่นนะเพราะมันจะไม่มีวันหมดไปได้ด้วยการทำตามความอยากเหมือนกับรถยนต์ถ้าเรายังคอยเติมน้ำมันให้มันอยู่เรื่อยๆมันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากให้รถคันนี้วิ่งแล้วเราก็อยากไปเติมน้ำมันใส่กุญแจไม่ให้ใครเข้าไปเติมน้ำมันได้ ต่อไปใครจะเอาไปขับก็เอาไปขับไม่ได้เพราะไม่มีน้ำมันนี่คือวิธีตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่ทำให้เราจะได้หลุดพ้นจากวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดนี้มันไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันต้องตายตอนนี้เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตาย เรายังไม่รู้ฤทธิ์ของมันว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับเด็กที่เราสอนว่าอย่าไปเล่นกับไฟเด็กมันยังไม่เคยโดนไฟไหม้มันยังไม่รู้ฤทธิ์ของไฟพอเด็กมันไปโดนไฟไหม้เข้าหน่อยแล้วต่อไปมันจะเข็ดเองแต่พวกเราไม่เข็ดความแก่ความเจ็บความตายนี้ฤทธิ์มันร้ายยิ่งกว่าไฟอีกหลายล้านเท่าด้วยกันแต่เรากับไม่เข็ดหลาบ เวลาเจ็บก็ก็ทรมานไม่อยากจะเจ็บแต่พอหายเจ็บปั๊บก็ลืมไปเวลาจะตายก็กลัวกันทุกกันพอเวลาตายไปแล้วก็ลืมก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์เพราะทุกข์อยู่ที่การเกิดนี่เองทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าพวกเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือหนึ่งทำแต่บุญบาปไม่ทำแล้วก็ชำระความโลภความอยากให้หมดไปจากใจถ้าเราทำได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะได้อยู่ที่ไม่แต่ความสุขเพียงอย่างเดียว<ม>ก็คือพระนิพพานนั่นเอง พระิพานก็คือที่อยู่ของจิตที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บ ต, ตายอีกแล้วนั่นเองจิตของเราไม่มีวันตายการที่ไม่ได้มาเกิด น, นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะหายไปไหนเราไม่ได้มีร่างกายเท่านั้นเองแต่เรายังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมแต่แทนที่จะมีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว นั่นแหละคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์และจิตของพวกเราที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จึงขอฝากเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำมาไปพิพจารณาและปฏิบัติ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 พบนี้ชาตินี้เลย